ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้กันนี่ยพราะกันแหละอะไรเงี้ยไปทูลถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห่วงน้ำก็คือกิเลสนั่นเองคือแทนที่จะถามว่าพระองค์ทํำยังไงแล้วเป็นพระอรหันต์ก็ต้องถามให้มันมีชั้นเชิงหน่อยพระองค์ข้ามโอคาข้ามห่วงน้ําได้อย่างไร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 เราได้บารมีตัวนี้แหละการอธิฐานน้บารมีก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะรักษาศีลไว้เราก็ได้สัจจะใช่รักษาเนี่คยค่อยๆพัฒนานะลดละความเห็นแก่ตัวไปเรื่อยนะคนมาด่ามาว่าเราเอาัยให้เขาได้นี่เป็นฐานน้บารมีนะฐานนบารมีไม่ใช่แค่ควักกระเป๋าจ่ายสตังฐนะานน้าบารมีมีกระทั่ง